นานดีมันเดินทางเข้าสช่สวรรค์านผ่านท้นอะไรต่งตางๆดังที่เราได้ชวดธรรมาจากักในิมบักนงแปดเราได้เจริญสติได้มีสินทำไม่ไนาย ช่วยเราธรรมก็ช่วยเราวิ่ไหนก็ช่วยเราศิลก็ช่วยเราสมาธิก็ช่วยเราปัญญาก็ช่วยเรามลเราเดินทางไกลนั่งยานพาหนะนั่งรถนั่งเครื่องบินนั่งเรือ ในเครื่องบินก็มีสิ่งที่ช่วยเราแผนที่ก็ช่วยเราบอกทิศทางอุณภูงก็าช่วยเราตรงไหนมีลมบรกาศตรงไหนมีหลุมทางถนนผิวถนนชุดโซมเขาก็บอก บ้าจราจรถ้านั่งเครื่องบินเขาก็บอกนี่เลด้าจองไปข้างหน้าบ้าอีกประมาณห้านาทีจะมีลมปากาศให้ผู้โดยสารทุกท่านลดเฉียงผัดปรับกุ้ยให้นั่งในท่าตรงจึงของหวังอยู่บนหิ้ง ต้องปิดทั้งเรียบร้อยมันจะโลนแล้วก็บอกพอ ถ, ถึงห้านาทีก็ไปเจอลมอากาศก็ <c oughs> กินน้ำจับแกยวมากินน้ำกินน้ำไม่ได้เครื่องบินมันกระโดดน้ำในแกยวหกหมดต้องหยุดการกินน้ำ <c oughs> ดื่มน้ำ นั่งรถก็เหมือนกันอีกประมาณห้ารอยเมตรจะมีทางผิวถนนชุดโซมรถความเร็วเขาก็บอกลองเราก็คนขับรถก็ในรถก็มี รวมเร็วความช้าได้เขาบอกให้เราขับช้าๆเราก็ขับช้าๆรถที่มันช้าก็ได้รถที่มันวิ่งก็ได้รถมันก็บเบรกก็ได้หยุดก็ได้แล้วก็สะดวกมันบอกทิศบอกทางตอบแผนที่ตทางสามแยกสี่แยกห้าแยกทางโคง้ง ตองไหนเหมือนตะายก็บอกมันก็บอกเมื่อเราเดินทางในทางมิตรภาพแล้วก็บอกป้ายออกป้ายจราจรตามถนนหนทางไม่เรียบร้อยขึ้นเขาลงเกต่ำขึ้นลงเกลต่ำลงเขาลงเกียต่ำ ถ้าไม่ลงเกียร์ต่ำมันก็อันตรายคนขับลถ ก, ก็เกียร์ต่ำ ช, ช้าๆก็ได้ในการปฏิบัติธรรมนั้นกันหมดเลยนั้นก็เราเดินทางถนนมิตรภาพสุขุงวิทจากกรุงเทพถึงสุดติดใต้เพชรเกษม กรุงเทพสุดตะวันออกนีต่ภาพกรุงเทพถึงสุดประเทศไทยแม่น้ำคงต้องหอนโยทินจากกรุงเทพถึงสามเหลี่ยมทองคำรู้จักไหมสามเหลี่ยมทองคำเคยไปบอกสามเหลี่ยมทองคำ แม่สายแม่โขงในหวางสามเหลี่ยมนั้นประเทศลาวประเทศไทยประเทศพมา่าแบ่งกันตรงนั้นนี่นมาทางทางอะไรล่ะบ้าบคิดนะฮะฮ <laughs> ะเอยมาพะหโหนยธิน เรื่องเอเคียในบ้าเจราจรเรียบร้อยถ้าเราจะเดินผ่านถนนเขาก็บอกบ้ายบอกนี่รูปคนเดินก็ตรงไหนมีสัตว์ข้ามเขาก็ทำเป็นสัตว์ข้ามถนนตรงไหนมีโรงเรียนเขาเขาก็ทำาภาเป็น โอ้เท่าผู้แก่จงเด็กข้ามถนนต้องไหนมีวางข้ามถนนเขาก็บอกเขียนลูกควงวิ่งข้ามถนนต้องไหนมีฝงปิดผงหานข้ามถนนเขาเขียนไว้ตั้งที่เราขึ้นมาอุทยานตาโตนเขาเขียนระวังไก่ป่า ถ้าขึ้นเขาใหญ่กะระวังทางช่างผ่านจะเจอช่างผ่านหลงตามาจากใต้หวันกับอาจารย์ตุ้มจนันดท์มาเจอท่างผ่านมันไลยตีรถหล่อเกือบจะทันระหว่างทางช่างผ่านนะถ้าไปอินเดียเลีเซียเนี่ย แล้วก็เขียนภาพเป็ดข้ามถนนมันก็มีไปเจอเข้าจริงๆริงเป็ดข้ามถนนเป็นหมื่นๆตัวเป็ดป่าโดดต้องจอดเป็นแถวลงข้างทางให้เป็ดมันผ่านปากำปายเยนดูเป็ดมันก็วิ่งมันก็เดินข้ามเป็ดมันเดินชา น่าเหมือนเชียงเหมือนกวางเป็ดข้ามถนนมีทั่วไปในประเทศที่เขาไม่ทำลายสัตว์พวกห่านพวกเป็ดพวกไก ย, ยวงไก่ต๊อบเป็นของป่าสัตเป็ดเทพเ ป, เป็นไหลเป็นของป่าแต่มังไทยเป็นของบ้านเอามาเลี้ยงมานี่ อนนี่คืออริมัตตตรงไหนที่มันเป็นไรสมมติเห็นอย่างไงมีความเห็นอย่างไงเห็นทุกเป็นทางแล้วรอสักหน่อยหยุดสักหน่อยเหมือนเห็นทางค้งทางเลี้ยวจุดอันตรายมันดีจะได้ละมัดระวังจะได้รู้เห็นทุก พ้นจากเหตุการณ์นั่นได้น้าขับรถกร็่อความเร็วลงแล้วก็ระมัดระวังเจ้าพ้นเห็นทุกได้ทำให้แจ้งแล้วนี่เห็นแล้วผ่านถนนตีราทางทีเระเที่ยวจำได้หลุมตรงนี้หมอตรงนี้ ต, ต่างโคดทางเขี้ยวตรงนี้มันก็ มันก็เห็นเดินขับรถขึ้นเขาคนที่ไม่เคยขึ้นเขาเขาจมีการผิดพลาดได้คนเดินรถบอกว่าทางของเขารถโดยสารจากแข้งข้อใชยภรมนะจากแข้งข้อเท้าฝ่หวานคนที่ขับรถสายนี่เขาว่าทางเขาเขาชำนาญคนที่ไม่เคยทาง <c oughs> นั่นก็ มีอุบัติเหตุด้วยฉนั้นการเห็นทุกข์ทีทีไม่ใช่เรื่องงู้ตรงนั้นปัญฉลาดตรงนั้นเห็นความหลงไม่ฉลาดเห็นความทุกข์ได้เห็นแล้วได้รู้แล้วได้ออกจากทุกข์แล้วพ้นจากทุกข์แล้วนี่สมมาทิฏฐิไม่ใช่ไปท่องหนังสือเวลาเราปฏิบัติทำแนว มันเห็นต่อหน้าต่อตาเห็นความหลงผ่านได้บ้างไหมความหลงผ่านมาปลอดภัยหรือยังหรือไม่เห็นเป็นผู้หลงเหรอไม่ใช่ไปลงเหียวหรอกถ้าเป็นผู้หลงขับรถล้างผาแล้วตกหลุมไปแล้วโสมไปแล้วเหมือนรถตกหลุมบ่อยๆโสมได้เบรกไปบ่อยก็โสมได้ คนกับรถเนี่ยเขาอาจจะไม่เบรกเขาคอยลดเกลี่ยต่ำลงมัให้ความเร็วมันช้าลง <c oughs> ไม่ต้องเบรกเออบางคนน่ไม่ได้ลงเกลี่ยอะไรขอยจะเบรกก็หวังปักไปเลยรถมันก็โสมสะดุดสะดุดความทุกข์สะดุดความโกรธ ให้ม e ันเรียบเรียบเห็นความหลงมันยิ้มนะเห็นความทุกข์มันจะยิ้มมันเรียบมันเบาไม่ชนเห็นความโกรธก็ไม่ชนเห็นทุกข์แล้วเห็นแล้วเนี่ยมันก็ดีเห็นทุกข์มันดีไม่ใช่ไม่ดีเห็นความหลงก็ดีไม่ใช่ไม่ดีนะเห็นความโกรธก็ยังดีเห็นก็ เห็นแล้วลำเหลี่ยงจากการลำเหลี่ยงจากภัยบาทลําดีการเบียดเบียนไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วเป็นยังไงรสชาติของความทุกข์เป็นยังไขงของความไม่ทุกข์มันก็เคยมันก็เคยชินเหมือนทางขึ้นเขาสมัยก่อนเขาทํามาไหม่ยังไม่ราดจ้ะขึ้นกับรถขึ้นเขาดูหลวงพ่อผมจะขับหลุมให้ดู ผมขับท้ามันตกล่อหลุมข้างหลุมล่อเดียวมันจะกระโดดมากผมจะขับให้มันตกหลุมทั้งสองล่อทัองทั้งสองข้างมันจะไม่กระโดดเท่ากับล่อเดียวเขาก็เล่าก็ลั่งไปเขาก็สนุกนะเวลาเห็นหลุมที่ใดเขาสนุกเขามีศิลปะ นะมีศิลปะขับรถของเขาชำนานขึ้นแล้วก็เราก็นั่งไปขาไม่ไม่ให้กระโดดให้กระโดดบางคนพอรถตกหลุมไปเบรกตรงมันตกแล้วก็ยิ่งกระโดดไปอีกถ้ามันตกลงไปก็เหยียบให้มันให้บัตให้มันให้มันอย่าให้มันกระโดดมาเหยียบไปจักหน่อยหรือว่าหยอดผม เตอไม่เกยขับรถสักทีหรอกแต่คิดว่าคงจะทําได้นะทำเรียว่าจอดสมอันนี้ก็คือใช่รถก็จนานาการใช่รถใช่กายก็จำนาการใช่กายใช้จิตก็จนานาการใช่จิตสําหรับไปสําหรับไปเกี่ยวข้องกับปัญหาต่างๆกายใจของเรานะ วมืกอกลตเขาทำสมมตถฐะดีอย่างรถหลงตาเนี่ยเขซื้อมาตั้งล้านกว่าเวลาขับไปสกลนครมุกดาหารไอ้ตัวเอนว่าทางมันมันเอียงลงมาเลยทำไมมันรถมันวิ่งไปเองไม่ได้เหยียบมันมันทำไมวิ่งเร็วมันทางมันเอียงมันลาดลงมาเลยไม่ใช่ เมื่อมันเดินถูกท่องตามระบบของมันก็ไปของมันเดินนี่สมรรถนะของมันแต่บางครั้งสมรรถนะใหม่ต้องเหยียบเข้าไปเอิญเบนเข้าไปอันนี่ชีวิตของคนเราปรับใส่กับปัญหาการใช้การใช้ใจให้ได้หรือว่าปฏิบัติธรรมมันทันสมัยมันชอบที่ฉุดเลยการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมกับการเจริญสตินี่แหละ มันก็รัความชั่ว อ, อยู่ในตัวมันก็ทำความดีอยู่ในตัวเสร็จเราไม่ต้องไปท่องหนังสือหนังสือที่เอามาสวดเนี่ยมันมีทีหลังปฏิบัติก่อนหนึ่งปฏิบัติสองปฏิยดัดปฏิบัติปฏิยัดเป็นสองคือทางดำนนตุจองแม่บอกนะให้ว่วงลุกปอนเคยเป็นเด็กหักเรียนสมัยท่องได้ คือผู้นาคอนส่วนชอบสาถอนดุจ ด, ดวงปัจจุวัน <c oughs> ยังไม่ลืมนะเนี่ยมันเคยใช่ไหมอมันเคยมันก็ไม่ลืมอนะ่ะมันก็ติดปากไม่ต้องไปอ่านหนังสือการในอรมากของเรานะเนี่ยสติคือความหลุดพ้นเนี่ยมันเป็นความํำนานหลงเพื่อรู้ทุกเพื่อรู้ไปเลย ทางไปแล้วเหมือนเดินทางในอริมักเหมือนเดินทางวิตรภาพจริงๆอยากจะบอกว่าการเดินทางมันเป็นไปสู่มรรคผลนานถึงจุดหมายปลายทางการไปบัธรรมตั้งแต่มีสติขึ้นไปมันก็สนุกสนานดีนะ <c oughs> ไม่ใช่เรื่องเบื่อหน่อยต่อไป่ห้เป็นสมัตธนะดีขึ้น สมรรถนะของชีวิตปิญญาของเราเนี่ยนไม่เหมือนนะรถอะรถต้องไปปรับปรุงใหม่แตาน้องตาใช่รถอะมิตซูโอทัว ล, ลงนะอนนะอะไรมันแต่มาเปรียบกับ อ, อิซูโอนี่ยมันจะสมรรถนะต่างกันเครื่องเหมือนต่างกันแต่เขาทำเพื่อให้มันออกตัวเร็วแต่มันมันเปราะบาง เบาบางเงมืนอะไรที่เบาๆมันก็เปาวางตัวนี้คนสมศักดิ์เขาเป็นธรรมานไม่ชูไมิจิก็ามาบวชที่นี่เขาเป็นตัวแทนปล่อยปล่อยขายเรื่อยก็มาบวชที่นี่ก่อ <c oughs> นจังหวัดอุบล <c oughs> มาบวชทั้งสามก่อน สมจักคงศักอ่าอะไรกันเนาะสมศักในทำงานรถเจ้าพนิยตโอีกสมศักดิ์เ่ชวงอุตสาหกรรมอบเบอเงก็บอกว่าเนี่ยขับรถไปนี่รถคุณนะ่ะไปเอาเครื่องอะไรมันไปเปรียบกับพี่จูลงดูนะมันต่างกันมา คุณต้องไปสั่งบริษัทเขาให้เถ้าทำให <c oughs> ม่แตวมาตรฐานมันต่างกัน <c oughs> แกแล้วก็ให้คนถูกใจคนมันออกตัวเร็วๆคนก็ชอบนี่คิตของเราก็บางบางทีมัก ง, ง่ายนะบางทีความโกรธใกล้ง่ายพอใจไหลพับไปเลยมัก ง, ง่าย ความหลงก็มักง่ายเฮ้ยหลงอยู่ตลอดชีวิตโกรธอยู่ตลอดชีวิตถ้ารู้จักปรับให้ใหม่ใช่ไหะมันก็ดีมันก็มาตรฐานขึ้นกว่าก่จะแต่าาความหลงมาตรฐานขึ้นไม่หลงแต่ความทุกข์มาตรฐานขึ้นกว่าไม่ทุกข์แต่ความโกรธมาตรฐานไม่อกจากไมากาไมากาิกิเลสมันก็มาตรฐานขึ้นก็ผ่านไปได้ในอริยมรรคที่เราสวดจนถึง อุเปกขาแลยมีสติวางหมดปิตุวิจารติติสุขอุเปกขาบางมาวางมามันก็มีสุขว่างมีทุกว่างวางทั้งสุขวางทั้งทุกมาเรื่อยมีสติแล้วแหลวอยู่เรียกว่าสมมาสมาธิน่ะนะสุดท้ายเลยถึงกุดหมายปลายทางมีสติแล้วแลลวอยู่ มีสติแล้วแลวอยู่หนือก็อันเกิดเจอเจ็บตายเลยเนี่ยการเดินทางของเราอะไรต้องถึงเดี๋ยวนี้ <c oughs> ไม่ใช่รอวันทานหน้าก็มีกระเสเดี๋ยวนี้นะตู้จเจริญสติปัฏฐานจะได้กระแสแห่งพระนพิพพานไม่ใช่ไม่มีกระแสเหมือนคน เ้นทางก็ใบแผนที่สองศูนยหนึ่ ง, งก็แกงข้ถึงกรุงเทพกันได้ก็เสียละ <c> ไ <ười> ม่หลงเลยฮะว่าจะเหยียบเส้นทางสองศูนย์หนึ่งใช่ไหมใช่เนาะไปดูแงก็อสองศูนย์หนึ่งเวลเราวิ่งนั่งรถไปพถึงสามแยก อสามแยกเข้าตลาดจังข้อเขียนสองศูนย์หนึ่งไปสางนีสองศูนย์หนึ่งไปทางนี้ก็สองศูนหนึ่งไปทางนี้ก็สองศูนยหนึ่งไทางนี้ก็สุดียงคารเมืองเรามายทางนี้ก็กรุงเทพเลยมาตั้งต้นเทียนนใหม่เพราะเป็นเมืองหลวงขอตั้งต้นจากกรุงเทพหมายเลข ก, การเดินทางเราไม่เคยเสียอย่างเนี้ยแผนที่ ไปสู่มรรสผลมันมีมันมีสำหมวยทิฏฐิมันมีอริมักทําไม่ไหนเราเนี่ยมันอยู่ที่ไหนอยู่ในกายในใจเราเนี่ยอยู่ในกายในใจเราเนี่ยกายใจรู้ชิดเลยจู้กับเราเนี่ยเราไปอยู่ไหนมันก็อยู่ด้วยกับเราไม่ต้องไปหาไม่ต้องมีเครื่องมืออะไรเลยเมื่อแต่ใช่ก็ถูกก็ถูกด้วยไปใช่ผิดก็ผิดด้วยไปแล้วแต่เราจะใช่อย่างไร เรียกว่ามนุษย์สมบัติใช้ผิดก็ผิดตกตัวลกไปเลยใช้ถูกก็ถูกไปเนื้อผ่านเลยถ้าไปทางนี้มันก็ถูกถูกอะไรถูกความผิดสัด ถ, ถึงบางเหลาไปไหมไปด่านซาดไหมไปทารี่ไหมฤดูหนาวแล้วนะระหว่างบางเหลากับบางไทยมันไม่ได้ข้ามแนมะ่โขงนะไปทางหน้าข้ามแม่น้ําเหียง น้ำเหยียงไปเจ็ดแดงเดินข้ามเราเคยไ ป, ไปบริเวข้ามไปจากท่ารีไปก็แขนเท่าทำไมต้องชื่อเจนเท่านะแขนเท่ามาจากอะไรคนลาว <c oughs> เป็นสงครามยือ้อมาจอย ชายเราตั้งแต่เด็กสี่สิบห้าปีจับไปเป็นทหารหมดตายหมดโดยแต่ผู้หญิงในเมืองนี้เมื่อผู้ชายไปก็ผู้หญิงก็รักมากไม่อยากให้ไปไหนเขาอบวนใจไม่ไม่ค่อยมีผู้ชายบ้างเขาผู้ชายไปบางนี่เลยไม่อยากกลับไปไหนได้ เ, เป็นเมืองเข่นเท่าเรียกว่ผู้ชายเพราผู้ มองเรา เ, าเรียกว่าเท้าวังไทยเรียกว่านายเมืองเรา เ, าเรียกว่าเท้าผู้ชายไปเมืองนี้ไม่มีเลยอยู่เช่นั้นถ้าไปเาืองนี้เขามีกราทงฝ้านะมีผ้าห่มนวมเ น, มนมี่ยโอ้ยห้ากโลเลยนหนักหนาวขนาด ไ, ไหนอมไรไหจะพาไปขอผ้าหมพาหลวงพ่อกรมไปเอารถเออใช่ใช่ไห อันนี้เหมือนเขียนเท้าเขาก็รักพระรักสงฆมไปได้นะสองูนหนึ่งสองศูนหนึ่งงเทพหนะนี่มันถูกทางไปสู่นรกไปสู่สวนนี่ผ่านถ้าไปคนละทางงั้นบวกกับลบคนละทางยินดียิน่า ย, ยินดีเป็นบวกสุขเป็นบวกยินทุกข์เป็น เป็นลบมันมีบวกลบหล่มของเราเนี่ยมันไม่สุขไม่ทุกข์มันเป็นคู่เนี่ยมันไม่เป็นทางทางมันต้องอยู่ตรงกลางเห็นสติมันจะทำให้เป็นทางเห็นสุขก็เห็นนะทุกข์ก็เห็นหลงมก็เห็นอะไรก็อะไรก็เห็นที่เกิดกับไปกับใจเห็นกาย ไม่ใช่กายไม่ใช่ถ้าหลงก็เป็นตัวเป็นตนถ้าเห็นก็ไม่เป็นตัวเป็นตนก็ยจัา๊วกายไม่ใช่จัตตุบุคคลตัวตนหลงขอนั่นไปได้แล้วไปแล้วเวทนาที่มันสุกมันทุกข์อ้าสุกทุกข์เวทนาจากเวทนาไม่ใช่จัตตุบุคคลตัวหลงผ่านไปแล้วทางไปแล้วถ้าไปสุกไปทุกข์อยู่มันก็ติด ฝังสังเวังขัวจิตอา้าวสุขทุกข์เพราะจิตมันคิดไหลก็นึกว่าตัวเราเป็นสุขเป็นทุกข์เพราะจิตอา้าวจิตก็สสกว่าจิตไม่ใช่จัดอุคครณ์ตัวเราเขาไปแล้วทมอารมณ์ที่เกิดเกิดจ่ายแต่ไม่ยินดีทาไม่ยินลายง่วงเหงาหอนนอนมีความสงบสุขบิติปจัจจทิบางโอกาสเอาหลงตัวนั่ง มันก็โศกก็ทําให้อาสาทะมีรสชาติทุกก็เป็นอาสาทะมันมีรสชาติแล้วก็ทําให้กิจใจเราเปลี่ยนไปชอบมาชอบซ้ากับอีกสมมุติปัญญยัดเข้าปอีกเอาผิดเอาถูกกับอารมกูโกรธกูโุกกูทุกข์ปล่อยเลยเป็นสมมุติปัญญยัดช้อนเข้ามา เมื่อสมวิเวทเกิดขึ้นตุปทานเกิดขึ้นดึดเข้าไปนับปลอมันละลกแน่นอนถ้าวางไปก็กเสไปนิพพานแน่ท้ออย่างนี้ยพไรที่บัดทำมันเป็นขอบเป็นกรรมเหมืนเราโดินทางนะไปไม่น่าจะเกียดข้ามไม่น่าจะอ้างอะไรมาต่อรอง ไม่มีอะไรมาอ้างมาต่อรองมาขวางกันมันเป็นทางที่ต้องถลุงที่ย่อยออกเหมือนเราเดินทางเท้ๆนะอะไรที่มันไม่ดีไม่มาดีได้ในกายในใจนะเต็นขึ้นมาแปลงพันมันก็ดีกว่าเก่าอาบน้าาําก็ดีกว่าเก่าสักผ้าก็ดีกว่าเก่ากวดบ้านถูบ้านก็ดีกว่าเก่า จิต ท, ทำใดีขึ้นเรียกว่า ว, นะวัฒนาวิปัจฉนาจีตทำให้เร็วเราวายรดามันมีอยู่ในชีวิตของเราเนี่ยเราจะใช้ชีวิตของเราอย่างไรปฏิบัติธรรมคือการใช้ชีวิตให้ชอบให้ถูกต้องถ้าเราใช้ชีวิตถูกต้องหนึ่งสองสองหนึ่งตัวเราก่อน มันก็มีสองมีสามต่อไปแล้วก็อยู่เย็นเดินสุกร่วมกันในโลกเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ดีไปอยู่กับโตก็ดีดีกว่าปีกายนี่ก็ดีเรื่อยไปเพราะเราเป็นพระวิปัสสนาพระกรรมฐานไอ้ชีก็เป็นกรรมฐานญาติโยมก็กรรมฐานช่วยกันให้หลงตายไม่จะไปโพกทองจะแล้วไม่อยากพูด แต่ก็ต้องพูดบางเสื่อมที่จุดเลยองสามสิบลูกมันมีน้ำชักลูกเลย <laughs> เออไปด่าพระวันหนึ่งในโลกนะรางน้ำฝนบนสลาเกิดต้นย้าสูงขนาดเนี้ย <laughs> หนึ่งในโลกน้ำในบัด2ยี่สิบสามสิบลูกไปเปิดดูมันมีชักหยดเหลือ น้ำฝนไหลเที่งหมดตลอดปีนะจะตั้งมาสงสารพระวัดโูกเขาทองหลวงพ่อว่าเนี่ยก็มีสิทธิ์น่ารับสอนธรรมพระที่นั่นก็เป็นสัต์ท่ิหาริกของเราเราเป็นอุปชาเองเราต้องสอนเองกราถาว่าไม่บอกไม่สอน มะก็ว่าจะเลยบอกว่าไม่เป็นไรน้ำฝนไม่มีก็ไม่เป็นไรเรามีบ่อน้ำบาดาลที่ยอดเยี่ยมที่สุดอย่าพากันพูดก้องคืนเวลานี้เป็นท่าดูฝนแล้วทุกคนต้องเอาน้ำ ในท่อเนี่ยไปใส่องค์ให้เต็มหมดทุกคนถ้าคนมาเปิดน้ำน้ำไม่มีเอ้าผฝนตกน้ำไปในหมดไม่ได้รองน้ำมันขายขี้น้ำว่าคนยังพยายามนะตั้งแต่นี่ไปล้างองค์ดีๆแล้วก็พากันล้างองค์แล้วก็เอาน้ำกันขึ้นนะอย่าทำให้คนเห็นนะ มันไม่เป็นไรบ่อน้ำของเรามันบริสุดดื่มได้เอาน้าําใส่ท่อไปใส่องค์ไว้น้ำก็สบายสุดในโลกเนี่ยวัดในประเทศไทยมีวัดไหนเหมือนวัดผู่ข้ององค์ตั้งอยู่เป็นแถวตั้งฐานไปโฉมไตระดับเดียวกันเลยต่อท่อถึงกันหมดเลยเอาเพียงก็น้าําใส่ท่อเดียวไม่ต้องไปตากฝนเลยมันก็เต็ ม, มานวันแล้วเปิดกิดนั่งท่อเดียวก็มาหมด มีที่ไหนบ้างทำไมเป็นเช่นนี้หรือว่อเห็นแต่พาเข้าอาหารในถ้วยเลยททำไมไม่ดูว่างเ <c oughs> ดินมาจากกติมานั่งฉันเดินจากที่ฉันไปกติเท <c oughs> ่านั้นเลยชีวิตเราอ้มีสติเป็นหน้ารอบนะหน้ารอบก็บันบันโล่บันต้องเมีเราอยู่วัดโลูกบทดทุกข์อะไร มันมีรหัสในชีวิตเราเปิดน้าําปั๊บเวลานี้น้ําไหลเท่านี้เวลานี้น้ําไหลเท่าเนยแต่เวลาปกติน้ําอย่างไหลน้อยแจงมาโท่มันรั่วพวทกท่านจงไปเดินเดินสำรวจดูน้ํา ม, มันมีที่ไหนบ้างเดินสํารวจท้องน้ำบ้าน้ํารั่วที่ไหนท่อแตกตรงไหนไม่ช่วยมาเปิดน้านําน้ําไม่ไหลหนีไปอ่าไม่ใช่ ถ้าเวลานี้น้ำไมไหลแสดงว่าผิดปกติคนต้องไปสำรวจดูโดนไปตามหน้าห้องน้ำต่างๆให้ดูรอบๆเพียงแต่เราเปิดน้ำก๊อกเดียวรู้แล้วไฟก็เหมือนกันถ้าน้ำไม่มีปล่อยน้ำไหลทิ้ง น, <c oughs> นั้นก็ไม่จัดอะไรไม่มีรหัสผู้นูของบ้านของเรือน ของงานของตัวเองของบุคคลให้พาเราตัวรอดะด้นะไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนนะใกล้ออกพรนษาแล้วเวลาเราเกี่ยวข้องกับชีวิตอะไรต้องรู้ไปไหนก็ได้ถ้ารอบคอบแล้กหน่อยเวลาไปพักบัดอื่นเขาเราจะดูอะไรถ้าวัดใด <c oughs> ที่เราไป ไม่มีระเบียบเช่นมาตาโชกุโตเนี่อาจจะไม่มีระเบียบติดไปหน้ากติหรืออาจจะมีก็ไม่ทราบแล้วก็ต้องระมัดระวังไปดูซะ ก, ก่อนไปดูระเบียบเขามีอะไรที่นี่นะถ้าเขาเชื่อระเบียบไปสบายเลยเราจะใช้ชีวิตที่เข้ากันปั๊บกับเขาเลยเลยี ถ้าไม่มีระเบียบอะไรต้องระวังให้ดีแอบถามเวล า, าทำวัดเวลาเท่าไรชั้นเวลาเท่าไรที่ไหนเราออยไปถามพอคนที่าถามได้ถ้าบางคนก็ไม่ควรไปถามเขาถามคนอื่นเพื่อให้รอบค้อ ห้องน้ําน้ําดื่มที่ใดห้องช่วงห้องถ่ายอยู่ที่ไหนน้ํำอาบที่ไหนถ้าไม่ถามก็เดินหาโอ้นี่ห้องน้ําถ้ามาฉุกเฉินเราจะได้เข้าทันใช่ไหมถ้าไม่รู้ก็ฉุกเฉินก็เลี่ยร <c oughs> อดเรามาระบางมานา่ะรอบครอบดูเขาทํากันยังไงหมู่บันฑิตก็หมู่คนผ่านเขาทามา ถ้าไปแสดงถึงความรู้ในหมู่คนผ่านไม่ได้อันตรายถ้าไปแสดงความไม่รู้ในหมู่บัณฑิตก็ไม่ได้เขาหลังเกียดเราต้องดูดีๆีะถ้าที่ไหนเราไปเราไม่ไม่ระเบียบวัดติดไว้อันนั้นสบายเลยยิ้มได้ถ้าไม่มีแล้วก็ระวังระวังต้อง อันนี้เราก็ดูไม่ใช่ตกปูแลงเป็นแรงตกวงกาเป็นตาเราต้องเป็นพระเป็นนักบวชเป็นจำนะเป็นผู้พิธธรรมอยู่เสมอไม่ใช่เป็นอื่นที่ไหนก็ได้เราต้องทรงตัวให้ได้เกี่ยวกใัใชีวิตของเรานะนี่คือรอบครอบทักหน่อยผู้มีจติเป็นหน้ารอบ <c oughs> สติเป็นหน้าโลกบในใช่สติไปทางเดียวดูโลกก็ของบ้านบางทีมีอะไรต่างๆในบ้านในเตือนเราอะไรมันหายอะไรมันไม่มีหามาอะไรอันตรายฝนตกได้ปดะระโยชน์ไหลจากฝนฝนตกมีโทษไหลาจากฝนแดดออกได้ปดะระโยชน์ไหลจากเแสงแดดแดดออกมีโทษไหลาจากแสงแดด มันก็มีคนมีโทษอยู่ให้หรือดูเนี่ยเล้ดูให้เดดูผลแล้วพวกเราก็มาก่านหวพยมเจ็บกัดน้ำให้เรียบร้อยผมก็คุยอวดว่าวัดป่าสุกโตแท่งน้ำกระดานใหญ่ร้อยกว่าแท่งเต็มหมดรงสองร้อย <laughs> เ็มหมดนะถ้าเขาไม่ดูเราไม่เต็มเลยใดไลยเต็มบ่ นะถ้าไม่เต็มเราปล่อยน้ำทอดใช่ไนหะเพื่อเพื่อกเพื่อตุ้นปลังน้ำไว้สู้กับไฟป่านะ่าจะขอมีไหมผ้าเขียวตรงหมิงผ้าเขียวสายไฟสั้นๆว่าสองวา่ายาวไม่เอานะเฉยๆเลยเหร อ, หรอ จะไปมัดปากงงอ้าเขียวไม่ไมถ้ามีผ้าเขียวจะไปแบ่งให้ด้วยจะไปห่อปากองค์ชนะ่ที่นมันจนกว่าที่นี่นะย <c oughs> ่งคิดว่าจะเออดูเราว่าจะไปจะไปฟื้นฟูห ร, หรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็หมดกําลังมีแต่พูดเขาก็เกลียดเราเวนะลาเรานั่งอยู่กะตีเนี้ยพระไม่เดินมาเลยเดินอ้อมโบดไปทางโ น, น้น ไม่เขาไม่อยากเห็นเราเขาไม่อยากเห็นเร า, เ า, า, ก, เเรากลัวเรากลัวเราจะใช่เขาไม่ใช่กลัวเพื่ออะไก็เป็อาจากว่วเออหลวงพ่อมาแล้วหลวพ่อจะใช่หลกไปเงียบไปเลยว่าโอ้ยให้ผมใช่เธอเพราะผมใช่ท่านเราท่านจะฉลาดเอาตัวรอดอย่าไปเกียดกันให้ขนด่าให้ผมด่าเธอให้ผมสั่งสอน นะัผมเป็นปุชาพวกเราเนี่ขาดไม่ได้นะหนึ่งสติวาลิกขึ้นต่อปชุชฌาสองอันเทวาจิต ข, ขึ้นต่ออาจารย์อย่าทิ้งอาจารย์มีครูมีอาจารย์มีอุปชาอาจารย์ ม, าารยมีพ่อมีแม่ชีวิตของเราเนะอย่าให้ขาดจะว่าเราดีวิเศษอะไรเลยนะให้ขึ้นต่ออุปชาอาจารย์ให้ขึ้นต่อพ่อแม่ ขึ้นต่อศีลขึ้นต่อธรรมช่วยสำสอนเราแม้เรามาดีแล้วดีขนาดไหนก็อย่าทิ้งกูศาอาจารย์โบราณท่านว่าเรียนตามพ่อขอตามครูไอ้วังก็มีรัฐประการชนอดกับพระพรมกัน